ภาวนาก็คืออบรมรวมกันเป็นจิตภาวนาก็คือการอบรมจิตคำนี้พระพุทธเจ้าได้รัสเอาไว้เองและก็มีความหมายได้ทั้งสมาธิภาวนาและปัญญาภาวนาหรือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าจิตภาวนาจะเรียกว่าบำเพ็ญสมาธิหรือสมาธิภาวนาก็ได้และก็ไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานหรือปัญญาภาวนาอบรมปัญญาด้วยอันการศึกษา คือการเรียนและการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วก็คือไตรสิกขาเรียกว่าศิกขาสามคำวศิขาเป็นภาษาบาลีภาษาสนันสกฤตวศิศึกษาไทยเอาคำสนันสกฤตมาใชา้ แต่ว่าเปลี่ยนเสียงเรียกว่าศึกษาเพราะจะพูดกันว่าศึกษาก็ไม่ถนัดเหมือนพูดว่าศึกษาจึงมาใช้คำว่าศึกษาและความหมายเดิมของคานี้ก็มีความหมายถึงทั้งทางด้านเรียนให้รู้ดังที่เรียกกันว่าเป็นภาคท ฤ, ฤษฎีและหมายถึง การปฏิบัติเพราะฉะนั้นคำว่าศึกษาหรือศิกษาดังกล่าวนี้จึงไม่จึงมีความหมายทั้งเรียนทั้งปฏิบัติเพราะว่าเบื้องตน้นก็จะต้องมีการเรียนก่อนคือการเรียนให้รู้และการเรียนให้รู้นี้ต้องการให้รู้ทั้งสิ่งที่มีอยู่อันเรียกว่าสัจธรรม ธรรมะที่เป็นตัวความจริงและให้รู้ทั้งสมมติบัญญัติคือว่าชื่อที่เรียกที่แต่งตั้งขึ้นสำหรับเรียกสาหรับพูดให้รู้กันแต่ว่าสมมติบัญญัติที่เป็นชื่อสาเร็จเรียกสาหรับพูดให้รู้กันนี้ก็จะต้องมีที่ตั้งของสมมติบัญญัตินั้นเช่นว่าโบส บริเวณโบส ต, ต้นไม้ต่างๆเมื่อไปโบสทํทำวัดเช้าทำวัดคำ่ำหรือไปนมัสการพระก็จะต้องไปพบสิ่งต่างๆเช่นก่อนที่จะถึงโบสก็จะต้องพบต้นไม้หลายต้นเช่นต้นพิกุลและต้นไม้อย่างอื่น จะต้องพบกำแพงแก้วที่ล้อมรอบโบสถ์เป็นกำแพงเตี้ยๆแล้วก็จึงจะถึงตัวโบสถ์จึงจะต้องขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วก็จะต้องเข้าประตูโบสถ์เข้าไปข้างในก็จะพบพระพุทธปฏิมาเช่นพระพุทธกินรศีนี่แหละพระโต ต้องอยู่ข้างหลังบดิทิถานอยู่เป็นประธานและพบสิ่งอื่นๆเช่จนจะพบพระรูปสมเด็จพระมหาสมจเจ้าสองพระองค์สมเด็จพระนเรนทเจ้าหนึ่งพระองค์พบโต๊ะบูชาเรื่องบูชาแน่เบื้องบนขึ้นไปนั้นซึ่งเป็นที่ตั้ง แห่งพระพุทธปฏิมาใหญ่ทั้งสององค์ก็ยังมีพระพุทธปฏิมาซึ่งเป็นพระพุทธโรพระพุทธผ ล, ลีลาเนือพระธรรมใหญ่และพระบางลาพึงและยังมีสิ่งอื่นๆอีกเป็นอันมากสิ่งเหล่านี้จะต้องมีชื่อเรียกแในชื่อเรียกนี้ เรียกว่าสมมติบัญญัติสมมตินั้นคือความที่รับรู้ร่วมกันมาจากคำว่าสังที่แปลว่าร่วมกันกับมติที่แปลว่ามติหรือความรับรู้รวมกันเป็นสมมติคือรู้ร่วมกันรับรู้ร่วมกัน และคำว่า ม, ะมะตินี้ภาษาไทยก็นำเอามาใช้ถึงการที่แสดงการรับรองร่วมกันในทางรับก็ตามในทางปฏิเสธก็ตามเ่อเป็นมติดังที่เรียกว่ามติที่ประชมุมสังก็คือเพราะร่วมกันยังเรียกว่าสมมติดังเช่น ต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นพิกุลก็จะต้องมีสมมติคือการที่จะต้องรับรู้ร่วมกันทำให้เรียกร่วมกันว่าต้นพิกุลและเมื่อเรียกว่าต้นพิกุลแล้วก็เข้าใจจะเป็นสมมติของคนเดียวไม่ได้แต่เป็นของคนเดียวแล้วจะเรียกว่าร่วมกันไม่ได้จะเป็นเฉพาะคน เป็ในใครจะไปตั้งชื่อตอนพิกุลว่าเป็นอย่างอื่นผู้ใดตั้งขึ้นผู้นั้นก็อาจเรียกได้แล้วก็รู้คนเดียวคนอื่นไม่รับรู้ด้วยก็ไม่เข้าใจกันการที่รับรู้ร่วมกันดังนี้แหละคือสมมติไม่ใช่หมายความว่าสมมติว่าหรือตีต่างว่าดังที่เราพูดกันในภาษาไทยแต่มีความหมายดังกล่าวนั้น บัญญัตินั้นก็คือแต่งตั้งคือจะต้องแต่งตั้งว่าให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นพิกลแต่งตั้งให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นมะม่วงแต่งตั้งให้สิ่งนี้เรียกว่ากำแพงแก้วแต่งตั้งสิ่งนี้เรียกว่าบันไดแต่งตั้งสิ่งนี้เรียกว่าประตูแต่งตั้งสิ่งนี้เรียกว่าโบสถ์อย่างนี้คือบัญญัติ คือบัญญัติขึ้นมาแต่งตั้งขึ้นมาให้เรียกว่าอะไรนี่คือบัญญัติและเมื่อบัญญัติขึ้นแล้ว <c oughs> รับรู้ร่วมกันโดยเรียกว่าสมมติเพราะฉะนั้นเราจึงพูดควบกันวัดสมมติบัญญัติการเรียนนั้นก็คือเรียนให้รู้จักที่ตั้งของสมตสมติจจมตบัญญัติด้วยให้รู้จักสมมติบัญญัติด้วย ให้รู้จักที่ตั้งของสมมติบัญญัตินั้นก็คือให้รู้จักว่านี่เป็นสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งนี้แล้วก็มีสมมติบัญญัติว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่ตั้งของสมมติบัญญัตินั้นตามตัวอย่างที่กล่าวมาก็คืออย่างเช่นต้นไม้ดังกล่าวแพงแข้งแล่แก้วดังกล่าวบันไดประตู และตัวบทดังกล่าวและจึงต่างๆในบทดังกล่าวนัน้นเป็นที่ตั้งของสมบทบัญญัติจะต้องมีที่ตั้งเหล่านี้จึงจะมีสมบทบัญญัติขึ้นได้ถ้าไม่มีที่ตั้งเหล่านี้ก็ไม่ต้องมีสมบทบัญญัติแม้บุคคลเหล่านี้เองก็มีสมบทบัญญัติคือบุคคลเหล่านี้เองนั้นเป็นที่ตั้งของสมบทบัญญัติ เช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนนั้นเป็นคนนี้นี่เป็นที่ตั้งของสมดติบัญญัติและก็ต้องมีสมดติบัญญัติคือต้องแต่งตั้งว่าลักษณะอย่างนี้เป็นหญิงลักษณะอย่างนี้เป็นชายแต่งตั้งขึ้นมาว่าให้เป็นหญิงเป็นชายและเมื่อแต่งตั้งขึ้นมาให้เป็นหญิงเป็นชายแล้ว ก็จะมีแต่งตั้งชื่อสำหรับเรียกแบบคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้นี่คือบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาและจะต้องมีสมมติคือว่ารับรู้ร่วมกันเรียกร่วมกันว่าแบบเป็นหญิงเป็นชายว่าแบบเป็นคนชื่อนั้นเป็นคนชื่อนี้แล้วมาพูดกันแล้วก็รู้จักว่าแบบเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ ดังนี้เป็นสมมติต้องคู่กันดังนี้และเมื่อมีที่ตั้งของสมมติบัญญัติขึ้นเรามีสมมติบัญญัติขึ้นดังนี้ทุกคนจึงต้องเรียนคือหมายความมาต้องรู้จักได้ฟังคือรู้จักจากการฟังรู้จักจากการเห็นด้วยตารู้จักจากการจําได้หมายรู้นี่เป็นการเรียน ซึ่งทุกๆคนเรานี่ก็เรียนกันมาดังนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมารู้เรียงสาพ่อแม่ก็เริ่มสอนให้รู้จักเรียกพ่อเรียกแม่ให้รู้จักสิ่งนั้นให้รู้จักสิ่งนี้ถือให้รู้จักสิ่งที่เป็นที่ตั้งของสมมติมบัญญัติ ด, ด้วยให้รู้จักตัวสมมติบัญญัติ ด, ด้วยยังว่กคนนั้นเป็นพ่อคนนี้เป็นแม่ สิ่งนั้นเรียกว่าอย่างนั้นสิ่งนี้เรียกว่าอย่างนี้นี่คือการเรียนการเรียนให้รู้จักดังนี้เป็นการเรียนมาตั้งแต่รู้เรียนศีเป็นต้นมาและมาถึงธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียนต้องเรียนให้รู้จักสมมติบัญญัติที่เป็นภาษาธรรมะ เช่นคำว่ า, าจิตภาวนาคำว่าศีลคำว่ า, าสมาธิคำว่ า, าปัญญาคำว่ข า, าขันธ์คำว่ า, านามรูปคำว่ า, าสมถะคำว่าวิปัสสนาดังนี้เป็นต้นจะต้องเรียนให้รู้จักสมมติบัญญัติของธรรมะ ดังชื่อที่กล่าวมานั้นและจะต้องรู้จักที่ตั้งของสมมติบัญญัติเช่นเมื่อได้รู้จักคำว่ากิตภาวนาซึ่งเป็นสมมติบัญญัติก็ต้องรู้จักที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่จิตนั้นคืออะไรภาวนานั้นคืออะไรและเมื่อรู้จักวันนามรูป จำได้หรือรู้จักว่าขันห้าก็ต้องรู้จักที่ตั้งของสมบทบัญญัติอันนี้บันนามคืออะไรโลก ค, คืออะไรซึ่งเป็นตัวที่ตั้งของรูปบัญญตัติให้รู้จักขันห้าเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารบัญญัตนั้นคืออะไรหมายถึงอะไรดังนี้ นี่แหละเรียกว่าเป็นการที่เรียนให้รู้จักธรรมะก็คือหัวข้อธรรมคือที่เป็นสมติบัญญัติให้รู้จักอัรถะคือเนื้อความของหัวข้อธรรมนั้นดฉงนั้นเมื่อฟังธรรมะได้ยินคำว่าจิตก็เข้าใจม่นหมายถึงอะไร ได้ยินคําว่าพัฒนาก็เข้าใจว่าหมายถึงอะไรเมื่อได้ยินคาว่านามารูปก็เข้าใจว่าหมายถึงอะไรเมื่อได้ยินคาว่าขันธ์ห้าก็รู้ว่าหมายถึงอะไรเา น, น, นี้เป็นต้นเป็นข้อที่ต้องเรียนทางนั้นคือจะต้องศึกษาอันเป็นการเรียน คือสำเน็ตกำหนดให้รู้จักหัวข้อหรือชื่ออันเป็นรัมมบบัญญัติแล้วต้องให้รู้จักความหมายอันเป็นที่ตั้งของรัมบบัญญัตินั้นเหมือนอย่างที่เมื่อเรารู้จักชื่อว่าต้นมะม่วงเราก็นึกออกถึงว่าต้นมะม่วงนั้น มีต้ น, นมีใบมีผลเป็นยังไงต้นพิกุลก็รู้จักว่ามีต้นเป็นอย่างไรมีดอกเป็นอย่างไรเมืม่อรู้เมื่อได้ยินคำว่ากำแพงแก้วก็ <Yes. S 1> รู้จักความหมายถึงอะไรได้ยินคำว่าโบสถ์ก็รู้จักความหมายถึงอะไรได้ยินว่าผู้ชายได้ยินผู้หญิงยินว่า ชื่อนั้นชื่อนี้ก็รู้จักรหรือเข้าใจได้ทันทีว่าหมายถึงใครผู้ใดธรรมะก็เช่นเดียวกันจะต้องเรียนให้รู้จักชื่อธรรมะคือสมมติบัญญัติที่เรียกว่าข้อธรรมที่เป็นสมมติบัญญัติให้รู้จักอัตถะคือเนื้อความว่าหมายถึงอะไร ของชื่อธรรมะนั้ น, น, นอันนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนเรียนให้รู้จักซึ่งต้องอาศัยความจำเป็นที่ตั้งถ้าจำไม่ได้แล้วก็เรียกไม่ถูกบางทีอาจจะเข้าใจเจนเห็นต้นมะม่วงเขาก็หดใจว่านี่ต้นมะม่วงได้เรียกชื่อไม่ถูกว่ารดอะไรอย่างนี้ก็มี แต่เมื่อเรียกชูไม่ชื่อไม่ถูกแล้วการที่จะไปพูดจาจะใครหรือไปฟังใครพูดก็รู้เรื่องกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการเรียนให้รู้จักสมมติบัญญัติซึ่งเป็นข้อธรรมะคือสมมติบัญญัติเป็นภาษาสำหรับเรียน และการเรียนให้รู้จักความหมายของตัวมดบัญญัตินั้นยิ่งเป็นข้อสําคัญเป็นเบื้องตน้นทําให้มีความเข้าใจคนที่มุ่งปฏิบัติธรรมะนั้นถ้ามุ่งเพียงเพื่อปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาอาจจะไม่ต้องเรียนให้รู้จักให้จําได้ สึ่งสมบทปัญญาของธรรมะนี้มากมายนักให้รู้พระวินยัยจำพระวินัยที่จะบึงปฏิบัติได้ทำได้ถกูกไม่ผิดวินยัยแม้ว่าจะจำข้อไม่ได้ทั้ง227แต่เป็นพระเป็นเนนหรือว่าจำไม่ได้ถึงสิบแปด แม้วัาศีลห้าเองก็ตามแต่ว่าเมื่อต้องการที่จะรักษาศีลและเมื่อรักษาจิตอันนี้ไว้ให้ดีแล้วไม่ให้ลูกอำนาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามก็เป็นศีลได้แม้จะแจกไม่ถูกว่าห้าข้อแปดข้อ สิบข้อสองี่บข้อก็เป็นเศษได้คือรักษาจิตใจนี้ให้ดีไว้อย่างเดียวแต่แม่สมาธิก็เหมือนกันอาจารย์สอนให้ทำสมาธิเพียงวิธีเช่นว่ารวมใจเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้าขให้รู้ให้ใจออกขอให้รู้ควบคุมใจไว้ไม่ให้ฟุ่งสั้นออกไป หรือว่าพิจารณาว่ากายนี้เท่าดิดตามองเห็นก็เป็นผมคนได้ฝันหนังจะ ก, กำหนดอาการทั้งห้านี้ว่าไม่ควรจะนิยมกินดีชื่นชมเพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดและไม่งดงามโด ย, โดยธรรมชาติ ยังต้องมีการชำระมีการตกแต่งกันอยู่เสมอแต่ก็ไม่สามารถจะจำระให้สะอาดจะให้งดกามเปจริงได้ทำให้จิตใ จ, จสงบไม่ฟุง้งซ่านก็เป็นสมาธิได้และเมื่อมองเห็นสัจจะคือความจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่ผสมปรุงแต่งกัน เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้กันเรียกว่าสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคือต้องเกิดดับเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นถูกความเกิดดับนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นอนัตตาคือไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เราเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวนั้นกำหนดเข้ามาพิจารณาให้รู้จักตจัคคือความจริงดังนี้จนความจริงอันนี้ปรากฏขึ้นแก่ปัญญาที่เป็นตัวรู้ว่าไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงเป็นอนัตตาจริงดังนี้ก็ใช้ได้ปัญญาที่รู้ดังนี้แหละเป็นตัววิปัสสนาหรือเป็นตัวปัญญา ส่วนสมาธิความตั้งใจตั้งใจกำหนดดูสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความไม่เที่ยงค ว, มม ค, วความเป็นทุกความเป็นัตตานั้นก็เป็นตัวสมาธิอาการที่จิตใจเป็นปกติมีความสำรวมระวังมีความเป็นปกติทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจอันมีลักษณะเป็นความสงบ่ังนี้ก็เป็นตัวสี ก็ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาได้อาจารย์ไม่บอกเพียงเท่านี้ก็นำไปปฏิบัติได้แต่ว่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนให้รู้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เช่นในการเรียนธรรมะวินยัยวินัยก็คือวินัยที่มาในประปาติโมกส์สำหรับภิกษสนนุสมณีสมณีนั้นก็มีวินัยที่น้อยข้อเขา แต่ก็ปฏิบัติอนุโลมตามภิกษุในวินัยอีกเป็นอันมากสำหรับครรวะนั้น <c oughs> ก็เรียนให้รู้จักสิลนห้าสีนแปดซึ่งรับไปปฏิบัติในส่วนธรรมะนั้นก็เรียนให้รู้จักเช่นว่า ธรรมะที่เป็นหมวดสองก็เรียนให้รู้จักตั้งแต่ธรรมะมีอุปการะมากสองอย่างสติความเรื่องได้สัมปัญญาความรู้ตัวดังนี้เป็นต้นไปทุกๆหมดดวดโดยลําดับก็จะทําให้รู้จักสมมติบัญญัติหัวข้อธรรมะคือสมมติบัญญัติของธรรมะมากขึ้นของวินัยมากขึ้น แม้ว่าในข้อที่ยังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงก็โราขอข้อธรรมะซึ่งเป็นประมิบัญญัติและรู้จักความหมายทีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอธิบายไว้เนว่าอริยสัจสี่มรคนิพพานนั่นเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะ ปฏิบัติเพื่อพลที่มุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาก็จะจำข้อธรรมะที่เป็นสมบัญญัตินี้ได้เนู้ความใหม่สามารถที่จะไปแสดงให้ผู้อื่นฟังให้เข้าใจในสมบัญญัติทางกล่าวนั้นและสามารถที่จะ ฟังเทศฟังธรรมะเข้าใจในเมื่อพระเทศหรือหนังสือธรรมะแสดงหนังสือธรรมะที่แสดงหรือที่ที่ ท, ท, ที่ที่เขียนไว้หรือที่เทศนั้นกดต้องใช้ข้อธรรมะที่เป็นสมมติบัญญัตินี้ทั้งนั้นและในการเทศกันหนึ่งกันหนึ่งนั้นหรือในการแสดงคราวหนึ่งคราวหนึ่งนั้น จะต้องใช้ข้อธรรมที่เป็นสมมติบัญญัติดังนี้มากมายสมมติว่าจะต้องใช้ถ้อยคาเหล่านี้ถึงยี่สิบสามสิบคำถ้าหากว่าผู้ฟังไม่ได้ศึกษาให้รู้ข้อธรรมที่เป็นสมมติบัญญัติในความหมายแล้วจึงฟังเทศไม่เข้าใจและแม้ว่าจะใช้อย่างน้อยที่สุดซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ เพราะไม่มีภาษาไทยผู้ฟังก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าต้องใช้ภาษาธรรมะนี่มาเป็นภาษาไทยเป็นอันมากเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี่ก็เป็นภาษาธรรมะจะต้องศึกษาให้ให้จำได้แล้วให้เข้าใจว่าพระพุทธนั้นหมายถึงใครอะไรธรรมะ พระธรรมประสงค์ก็เหมือนกันหรือแม้ว่าศีลธรรมก็เป็นภาษาธรรมะจะต้องศึกษาให้รู้จักให้จำถ้อยคำที่เป็นสมมติบัญญัติและให้รู้ความหมายและในการที่จะเขียนหรือพูดกันจะอธิบายไปทุกคำนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้การเทศและการแสดงทุกคราวนั้น ก็จะต้องพูดเลือกที่ใบจำพ่อข้อใดข้อหนึ่งที่มุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังได้สดับในโอกาสนั้นๆแต่ว่าคำที่จะต้องพูดผาดพิงถึงไปนั้นมีมากมายหลายคำซึ่งเป็นคำที่ประกอบกันจะอธิบายไปทุกคำทุกคำที่พูดนั้นหาได้ไหมไม่มีเวลา เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาให้รู้ดังกล่าวซึ่งเรียกว่าเป็นปริยัตินี่แหละคือเป็นปริยัติคาที่แสดงออกมาเป็นปริยัติทางนั้นพระดํารัสสั่งสอนของลูกเจ้าลุกคําที่ฟังก็เป็นปริยัติทางนั้นก็จ ะ, จะต้องฟังให้ให้ให้ใ ห, ให้ให้รู้จักข้อธรรมที่เป็นสมมติบัญญัติและต้องให้ เข้าใจในความใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะสั่งสอนจึงได้ทรงนําเอาภาษาคือข้อธรรมะถ้อยคำที่พูดนั้นม า, ชาใช้ในในในในคำสั่งสอนของพระองค์เป็นอันมากพระองจะทรงแต่งตั้งคําขึ้นใหม่เป็นข้อธรรมคือสมมติ ท, ทรงสมมติคําขึ้นใหม่แต่ว่าถ้าผู้ฟัง ไม่รับรู้ด้วยคําที่สมมติแต่งขึ้นใหม่นั้นก็ไม่เป็นสมมติเมื่อเป็นดังนี้ก็ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องจึงต้องทรงใช้คําที่เป็นสมมติบัญญัติของโลกนั้นะมาแสดงเป็นภาษาธรรมะในพุทธศาสนาคำมามตะผลนิพพานก็ดีคําพระประหารก็ดีคาําว่าคุณเจ้าดีประธรรมก็ดีประสงค์ก็ดี เหล่านี้ล้วนเป็นคำีิโลกเขาใช้กันมาแล้วทางนั้นแม้แต่คำว่ากรรมฐานก็เป็นคำี่โลกเขาใช้กันมาซึ่งเขามีความหมายว่าการงานเช่นไทยเราเรียกว่ากสิกรรมกรรมคือการทำนาไทวนันแต่ว่าภาษาเดิมเรื่งเป็นโลกเขาเรียกว่ากสิกรรมฐาน คือการงานทุกอย่างเป็นกรรมฐานดังนั้นผ่านนิจกรรมก็ผ่านนิจกรรมฐานดังนี้เป็นต้นเมื่อเอาคําที่โลกใช้มาใช้เขาจะต้องมีความเข้าใจทันทีเช็นว่ากรรมฐานเขาจะต้องมีความเข้าใจในว่าหมายถึงการงานที่ทําแล้วจึงมาทรงอธิบายว่ากรรมฐานที่พระองค์ตรัสนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปทํานาไปทําการค้าแต่หมายความมาทํากิจใจ ให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมากำจัดกิเลสและกองทุกมาทรงอธิบายใหม่ให้มีความหมายมาในทางปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพราะฉะนั้นบารย์คือการเรียนนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากจําเป็นที่ต้องมีและการที่ปฏิบัตินั้นเมื่อฟังอธิบาย เพียงสั้นๆก็นำไปปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการจะเรียนให้รู้สมมติบัญญตัติรู้ข้อธรรมว่าต้องการที่จะเรียนเพียงข้อที่จะนำมา ป, ปฏิบัติเท่านั้นเจนหวาสํารวมกายวาจาใจให้เข้าใจว่าสัมรวมยังไงมันเป็นศีลขึ้นมาสัางกิจรว่เข้ามาให้สงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็เป็นสมาธิรู้จักเกิดดับของสังขารทั้งหลายก็เป็นปัญญาให้มีความเข้าใจในหลักเหล่านี้พอสมควรแล้วไปปฏิบัติได้เรียกว่าอธิบายกันเพียงสิบห้นาทีก็นําไปปฏิบัติได้ปฏิบัติกันเจ็ดวันก็ไม่จบเดือ น, น, นก็ไม่จบปีก็ไม่จบและจะได้ความรู้จากการปฏิบัตินี้เองไปด้วยลําดับแต่ว่าเมื่อไปพบ ธรรมะที่เป็นสจากขึ้นเองจากการปฏิบัติแล้วจะไม่รู้สมมติบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านั่นคืออะไรก็ไม่อาจจะมาอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้หรือว่ามาอธิบายผู้อื่นฟังได้ผู้ที่ฟังนั้นก็จะต้องรู้จักจับความมาทันหมายถึงอะไรแล้วก็มาใส่สมมติบัญญัติ เรื่องเป็นข้อธรรมะที่เป็นสมบุรณ์แเอาเองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบสืขต่อไป